เรื่องนกฟูงใหญ่สามร้สหภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งเชิงภูเขาหิมพานไม่ไกลจากที่นั้นมีน้องน้ําใหญ่นกฟูงใหญ่เที่ยวหาอาหารที่น้องน้ําตลอดทั้งวันพอตกเย็นก็เข้าไปอาศัยราวป่าภิกษุนั้นรําคาญเสียงนกจึงเข้าไปหาเราถึงที่อยู่ กราบไหว้เราแล้วนั่งลงในที่สมควรเราถามเธอว่าภิกษุเธอยังสบายดียหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือเธอเดินทางมาโดยไม่ลำบากหรือเธอมาจากไหนภิกษุนั้นกราบทูลว่าสบายดีพระพุทธเจ้าข่าพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาโดยไม่ลำบากพระพุทธเจ้าข่า แถบภูเขาหิมะผ่านมีราวป่าใหญ่ไม่ไกลจากที่นั้นมีหนองน้ําใหญ่นกฝูงใหญ่เที่ยวหาอาหารที่หนองน้ําตลอดทั้งวันพอตกเย็นก็เข้าไปอาศัยราวป่าข้าพระพุทธเจ้ารําคาญเสียงนกจึงหนีมาจากที่นั้นเธอต้องการไม่ให้ฝูงนกมาใช่ไหมข้าพระองค์ต้องการไม่ให้ฝูงนกมาพระพุทธเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นเธอจงกลับไปยังราวป่า แล้วเวลาปฐมยามแห่งราตรีประกาศขึ้นสามครั้งว่านกที่อาศัยราวปา่านี้มีเท่าใดจงฟังเราเราต้องการขนจงให้ขนแก่เราตัวละหนึ่งอันเวลามัชชิมยามประกาศขึ้นสามครั้งว่านกที่อาศัยราวปา่านี้มีเท่าใดจงฟังเราเราต้องการขนจงให้ขนแก่เราตัวละหนึ่งอันเวลาปัตชิมยามก็ประกาศขึ้นสามครั้งว่า นกที่อาศ um, ั ย, ร, ย, า ร, ยาร า, lers, ปรนนราวป่านี้มีเท่าใดจงฟังเราเราต้องการขนจงให้ขนแก่เราตัวละหนึ่งอันต่อมาพิกสูนั้นกลับไปยังราวป่าเวลาปฐมยามแห่งราตรีประกาศขึ้นสามครั้งว่านกที่อาศัยราวป่านี้มีเท่าใดจงฟังเราเราต้องการขนจงให้ขนแก่เราตัวละหนึ่งอันเวลามัชชิมยามปัดิมมยามก็มประกาศ เช่นนั้นสามครั้งว่านกที่อาศัยราวป่านี้มีเท่าใดจงฟังข้าพเจ้าจงให้ขนแก่เราตัวละหนึ่งอันครั้นฝูงนกรู้ว่าภิกษุขอขนภิกษุต้องการขนก็พากันบินหนีจากไปแล้วไม่หวนกลับมาอีกเลยภิกษุทั้งหลายการขอการออกปากขอย่อมไม่เป็นที่พอใจแม้พวกสัตว์ยิรชานเหล่านั้นไม่จาเป็นต้องกล่าวถึงพวกมนุษย์เลย